ก็คือสมาชิกกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนะรวมกับอดีตสมาชิกชุมนุมพุทธศาสตร์หรือประเพณีนนะมาลัยธรมรมศาสตร์กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเป็นมิตรเก่านะของวัดป่าสุโกโตสมัยที่วัดป่าสุโกโตยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วนะก็มีกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่แหละนะ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 พอตอนนั้นพระปัสุขโตก็ยากจนนะเอาอาหารเอ า, อาข้อของเครื่องใช้ขัดสนอะไรก็คุณวิธิชัยกับคณนกก็ไปหามานะจนกระทั่งคุณวิทิชัยวิธิชัยเสียชีวิตเนะี่ยปี30สาราน้าเนี่ยนะหลายคนไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์นะคุณวิธิชัยสร้างขึ้นปี30นะนี่ก็ครบ30ปีพอดี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 ไม่รู้จำไม่ได้ว่าสมรักหรือว่าเดิมทานนี่โดนรวบตัวไปโดยหรือเปล่านะในวันนั้นอะบางเคห์ใช่ไหมอ่าอันนี้เรารวมชะตากันเดียวกันจำได้มีเจ็ดคนมีเจ็ดคนนะทั้งหญิงและชายนะกระจายกันสามที่นะนคปรปฐมบางเคห์แล้วก็เมืองชนนะอันนี้ก็ก็เป็น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 ไอ้ความยึดติดถมันก็สามารถจะผลักดันให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีได้นะพูดร้ายหรือทำร้ายหลวงพ่อเฟื่องโชติโกเนี่ยอดีตเจ้าวาดวัด ธ, ธรรมสถิตนะจังหวัดระยองท่านพูดไม่ดีนะสั้นๆ น, นะแต่ว่าน่าคิดมากท่างบอกว่าถึงความเห็นของเราจะดีจะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดนะ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 พอขึ้นเว็บไซต์เนี่ยนะมันก็มีการตามล่าแล้ววนะ่าผู้หญิงคนนี้คือใครไม่ได้เวลาใช้เวลาไม่นาน้วนะก็พบว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนี้ทำงานที่นี่มาเทเลนี้เท่านี้แหละนะคนก็ลุมกันนำเลยนะลุมด่าลุมด่าลุมด่าไม่พอนะไปลุมด่ามาเทาลยที่เธอทำงานด้วยเรียกร้องให้ให้ปลดให้ไล่เธอออก หมห า, าเนระนี่ทนไม่ได้นะก็ต้องไล่เธอออกนะเธอไปทำ ง, งานที่ไหนนะคนก็ไปลุมดาที่นั่นแหละเพื่อไม่ให้เขารับเธอเข้าทำงานเท่านั้นไม่พอนะไปลุมดาถึงพ่อแม่นะญาติพี่น้องนะเรียกว่าตามล่ากันทั้งทั้งครอบครัวเลยจนกระทั่งเธอเนี่ยนะเรียกว่าแทบจะไม่มีที่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 แ, แทนที่เราจะไปมองคนอื่นนักลับมามองตัวเองนะเมื่อใดก็ตามที่เรามองใครว่าดีอาใครว่าไม่ดีมองคนอื่นว่าผิดมองคนอื่นว่าชั่วเนี่ยจะต้องลึกกลับมามองที่ใจเราเพราะว่าตอนนั้นแหละนะที่ความโกรธความเกลียดอาจะครอบงาในจิตใจเราได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเปลี่ยนเราให้เป็นอสูรสามารถจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นผู้ร้ายโดยไม่รู้ตัวได้เมื่อ ปีที่แล้วมั้งนะเราคงเคยดูคลิปนะคลิปของเจ้าของรถคันเล็กนะม i c o คูเปอร์ถูกชนท้ายคนชนท้ายนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ชื่อบอยที่แล้วก็ชนท้ายแล้วเขาก็หนีนะพเพราะคิดว่าเจ้าของรถม i n i คูเปอร์นี่ไม่รู้ตอนหลังเขาเนี่ยเปลี่ยนใจเขาก็วกกลับมาพอเขาวกกลับมาเนี่ยนะเจ้าของรถ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 มันเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ตัเองเชื่อว่าดีนะเห็นมานักศึกษานี่เป็นพวกที่คิดร้ายต่อชาติาสากลัตร์บางทีคิดถึงกระทั่งว่าให้พวกนี้เป็นยวนนะเป็นแก้วนะมีการสะสมอาวุธกันมากมายในธรรมศาสตร์สุดท้ายก็ไม่เจออะไรคนไทยทั้งนั้นนะแม้กระทั่งคนที่ถูกแขวนค อ, อก็ไทยอันนี้มนันได้เป็นบทเรียนให้กับเรานะตุลาเนี่มาครบ